ทีนี้ข้อต่อไป อ, อากินจัญญาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเจโตวิมุตต์ที่เกิดจากการบริกรรมวันนัตติกิจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มี อ, อากินจัญญาเจโตวิมุตต์นี้เป็นคุณธรรมประเภทอะไรอรูปสมาบัติเนี่ยนะอารูปฌปานหมายถึงว่าพิสูจน์ในศาสนานี้ก้าวล่วงวิญญาณัญญาตนะโดยประการทั้งปวง ได้เป็นอย่างดีเข้าถึงอากินจัญญายัตนะด้วยบริกรรมว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มี อ, มมอุโศนี้แหละเรียกว่าเจโตวิมุตที่เกิดจากการบริกรรมว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีมมผู้ที่ได้อากินจัญญาเจโตวิมุตเนี่ยปกติแล้วต้องต่อจากวันณกะสินหรือว่าได้กสินก่อน ได้กสินทั้งพูดพูดกสินเนี่ยนะกสินดินน้ําไฟลมหรือกสินสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะได้กสินทั้งแปดกสินเนี่ยเมื่อได้กสินทั้งแปดกสินเหล่านี้แล้วกสินใดกสินหนึ่งก็แผ่กสินนั้นให้หาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเมื่อแผ่กสินให้หาที่สุดไม่ได้ก็เพิกจากกสินไปเหลือเป็นอากาศเนี่ยนะเมื่อใส่ใจแต่อากาศว่าอากาศโซอนันโตแล้วก็ทําจิตให้เป็นอัปปมัญญาเออให้เป็นฌานเนี่ยนะ ทำจิตให้เป็นอัปปนาก็จะสำเร็จเป็นอากาศาสารัญจายตนะทีนี้ก็มากำหนดจิตที่มีอากาศาสเป็นอารมณ์เนี่ยนะจิตกำหนดจิตที่มีอากาศเป็นอารมณ์นั้นก็จะทำจิตให้เป็นฌานก็จะเป็นวิญญาณัญจายตนะไม่ใส่ใจในจิตและเจตสิกอันนั้นว่าจิตเจตสิกหน่อยหนึ่งก็ไม่มี นิดเดียวก็ไม่มีอันนั้นก็จะเป็นอากินจัญญายตนะพวกนี้นัตถิภาวะไม่มีจิตเจตสิกเลยเนี่ยนะใส่ใจในความไม่มีจิตเจตสิกอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะเนี่ยนะเป็นไม่เหลืออะไรเรียว่าอะไรหน่อยหนยหนึ่งนิดเดียวก็ไม่มีไม่มีกังวลในจิตและเจตสิกเลยส่วนต่อไปเนี่ยนะสุ ญ, ญาตาเจโตวิมุติ สุญญาตาเจโตวิมุตต์อันนี้เป็นวิปัสนาสุญญาตาเจโตวิมุตต์หรือเจโตวิมุตต์ที่มีความว่างเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นไนก็คืออวุโสภิกษุในศาสนานี้อยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาอย่างนี้ว่าว่างจากตนแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตน อันนี้เช่นว่าจักขุว่างจากอัตตานะจักขุว่างจากอัตตาและว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโสตะว่างจากอัตตาและว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคานะว่างจากอัตตาและก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาชิวหากายะมโนเนี่ยนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา โรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานั่นนะหรือว่าอายตนะคือตาอายตนะคือรูปอายตนะคือหัวอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือโผัพละอายตนะคือมโนอายตนะคือทำมรรมเนี่ยนะ อายตนะทั้งปวงเหล่านี้ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาหรือแม้กระทั่งว่าจักขุท่ารูปะทตาจักขุวิญญาณธาตุเนี่ยนะก็ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคาอ่าโสตธาตุสัทธาตุโสตวิญญาณธาตุก็ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะคานะคานะ คันทะคานวิญญาณธาตุเน us. i mean ี่ยนะธาตุเหล่านี้ก็ว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาชิวหาธาตุรสะธาตุชิวหาวิญญาณธาตุธาตุทั้งหลายเหล่านี้ก็ว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตากายะธาตุโททพะธาตุกายวิญญาณธาตุธาตุทั้งหลายเหล่านี้ก็ว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโนธรรมรมโมโมธาตุธรรมธาตุโมวิญญาณธาตุ ถ้าทั้งหลายเหล่านี้ก็ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคำว่าว่างจากอัตตาเนี่ยนะถ้าเป็นตนอย่างแท้จริงเนี่ยนะตนต้องมีอำนาจในตนใช่ไหมปกติแล้วตนต้องมีอำนาจในตนแต่นี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยขอขอตนคือตาจงเที่ยงเถิดขอตนคือหูตนคือจมูกตนคือลิ้นตนคือกายตนคือใจจงเที่ยงเถิดขอกันได้ไหม ขอก็ไม่ได้แล้วมันเป็นของตนได้ไหมมันไม่ใช่ของตนแต่ว่าตนต้องดูแลเนี่ยนะอันนี้แหละมันหนักใจมากเลยนะเอา้าดูแลตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะแล้วก็บอกให้ดูแลแต่ว่าไม่มีอํานาจคุณดูแลถูกต้องก็ดีไปถ้าคุณดูแลไม่ดีท่านก็เดือดร้อนไปเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะโยนภาระไม่ให้เราอะ่ะเคยได้ยินคาบอกว่าเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งกระดูกแขวนคอเนี่ยแหละนั่นนหะ นะเอ้าตาหูจมูกลินกาใจได้อะไรมั่งได้นอกจากได้บริหารได้ดูแลได้รักษาแล้วมันให้ความสบายอะไรจริงๆมั่งเอา้ามันก็ให้ไม่จริงอ่ะนะแต่ไม่เชื่อนะแต่ห่วงมากเลยนะแต่ห่วงมากถ้ามายุ่งเด็ดขาดและจับเส้นผมเส้นเดียวแันแวราก็เรื่องราวใหญ่โตทะเลาะเบาแวงกันเดินเหยียบขาเล็บเท้านี่ปกติก็ไม่ได้ถือซ่าอะไรมันเท่าไหรนะ่นักคนอื่นไม่เหยียบได้ที่ไหนล่ะเนีย่ยนะ ชายผ้าของเราใครมาแตะมาต้องหน่อยหนึ่งได้ที่ไหนเป็นต้นก็แสดงว่ามันยึดถือมากอะนะแต่ว่าไม่มีอํานาจอะไรในสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะเรียกว่ามันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแต่ว่าตนต้องดูแลเนี่ยแม่มันทุกแพ้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ตามใส่ใจแบบนี้เนี่ยว่ามันเป็นมหาภาระในการดูแลดูแลอะไรดูแลขันอาญตนะธาตุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ตนเลยมันไม่มีอะไรจะบอกว่าเป็นตนของ เป็นเราได้เลยอ่ะนะเอาอะไรเป็นเราดีล่ะเอาใจเอาใจไหนใจที่ดูใช่ไหมหรือเอาใจที่ฟังหรือเอาใจที่คิดแล้ววันหนึ่งมันคิดไม่รู้กี่ร้อยเรื่องแล้วจะเอาใจไหนเป็นตนอ่ะกันนี้เอแล้วมันเป็นของตนได้ไหมดูแลมีอำนาจอะไรได้ไหมสั่งการอะไรได้ไหมก็บอกว่าขอสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแต่ไม่เที่ยงใช่ไหมมีอำนาจบอกขอจงเที่ยงได้ไหม แล้วก็บอกว่าที่มันเป็นทุกข์เนี่ยนะให้มันเป็นสุขหน่อยได้ไหมถ้าขอได้มันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกโลกนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นแบบปัจจุบันนี่หรอกอันนี้แหละเขาว่าสุญญ า, านุปัสสนาก็คือรู้เลยว่าขันอายตนะตะณะท่าทั้งหลายว่างจากอัตตาไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นแท้จริงว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแล้วก็ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของอีกนั่นแหละไม่ได้เป็นใครแล้วก็ไม่ได้เป็นของใคร อ้าแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแต่เชื่อไหมทั้งๆที่ได้ยินนะแต่มันก็ก็เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้านะแต่มันทําใจตามไม่ได้เนี่ยนะพองบอกว่ามันไม่เที่ยงก็บอกเออก็เชื่อก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันเที่ยงนะนะแต่ว่ามันก็อยากให้เที่ยงอยู่ดีนั่นแหละอย่างนั้นนะมันเป็นทุกเชื่อไหมว่ามันเป็นทุกก็เชื่อมีให้เห็นเยอะแยๆไปหมดมันก็เป็นทุกแต่มันก็ยังสบายอยู่ดีนั่นแหละ มันเป็นอันาตาเอแต่นี่มันก็ยังกระฉับกระเชงอยูน่นะพอมันป่วยอีกทีนึงก็จะใช่เลยอันาตางั้นนะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือคือไม่ร่วมเราสาวกของใครอ่ะนะก็ว่าเป็นพักๆไปนะว่าเป็นขณะๆไปแต่ถ้ามีปัญญาบริบูรณ์เจริญจนภัยบูรุ์ก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ว่างจากอัตตาแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเพราะไม่มีความเที่ยงอยู่ในนี้อย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ใน ขันอายตนาธาต์นี่ยนะแต่บางคนบอกอ้าวรู้แค่นี้แล้วทําไมมันน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะบรรลุคุณจะมาเอาอะไรบรรลุมันไม่พอหรอกเนี่ยนะโพธิปักษยธรรมมีอยู่หน่อยเดียวนี่จะบรรลุอย่างเดียวไม่บรรลุรอกเนี่ยนะสติปัฏฐานเป็นไงเนี่ยน่ะมาชั่งดูเถิดเนี่ยนะถ้าเหมือนกับว่าอ๊ย้ยก็รู้อยู่แล้วอยากจะออกเดมทีแล้วว่างั้นแบบเหมือนกับบ้านเมืองที่มีสงครามอ่ะนะผม ก, ก็รู้อยู่แล้วเห็นพิษภัยทุกโทษตรงนี้อยู่แล้วอยากจะหนีหนีหนีห น, นีพอดีรถหมดน้ำมันยังไย นี่อะไรเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วหันพวงมาลัยถูกทิศก็ไม่ได้แปลว่าไปได้เพราะไม่มีน้ํามันไม่มีศรัทธาพอที่จะออกกาบทุกเน่ยนะถามว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่มีศรัทธาที่จะออกกาบทุกลักษณะคนที่มีศรัทธาเนี่ยกุศลธรรมเขาเกิดต่อเนื่องมากกุศลจิตเกิดต่อเนื่องเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเขาต่อเนื่องเขาเจริญกุศลได้เว้นแต่หลับเนี่ยนะเราเจริญกุศลได้ก่อนหลับเป็นต้นเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยไหบอกว่าบอเอ้ยบอกว่าท่านออกวิทยุสองชั่วโมงก็ดีเหมือนกันนะ ฟังไม่เคยจบสักทีเลยกันนั่นนะกว่าโอ้กล่อมหลับมาเยอะเลยเนี่ย น, นะดีเหมือนกันชาติน่าจะได้หลับง่ายๆหน่อยอยงนั้นเนี่ยกล่อมไม่หลับเลยนะบว่าหลับตั้งแต่สามทุ่มสีท่ท่มแล้วเนี่ย น, นะก็เอาคนที่ไม่หลับก็ฟังต่อไปกันล้วกันเนี่ยนะอย่าเอาคนหลับคนสองคนเป็นประมาณอย่างนั้นแล <c oughs> ้วก็อย่างนี้แหละว่า คือถ้ากุศลธรรมไม่เพียงพออย่างแท้จริงมันบรรลุไม่ได้มันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกนั้นจะเจริญกุศลธรรมอย่างไรให้ครบถ้วนเต็มเปี่ยมไพ่บูรุนแล้วก็บริบูรณ์จนกว่ากุศลธรรมจะบริบูรณ์นั่นแหละจึงจะออกจากทุกข์เนี่ยนะถึงจะเกลียดวัฏะเห็นภัยในวตะอย่างแรงกล้าก็ไม่ใช่พ้นจากวาตะได้ง่ายๆเปรียบเหมือนคนที่ปวดศีรษะถึงจะปวดขนาดไหนปวดแทบหยาดบอกว่าปวดหัวคุณปวดเท่าไหน บอกปวดเท่าขนาดที่อยา ก, กตัดหัวทิ้งเอาไว้งั้นมันปวดขนาดนั้นถ้าไม่มียาไม่มีเหตุปัจจัยในการดูแลรักษายังไงมันก็ไม่หายปวดเชื่อเนี่ยนะปวดต่อไปแล้วกันเนี่ยถ้าไม่มียาไม่มีการรักษาที่ถูกต้องเพื่อการหายปวดฉันใดวตัตตาทั้งหลายถึงเราจะเกลียดชังเบื่อหน่ายอึดอัดระอาขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้ากุศลธรรมอย่างอื่นๆไม่เพียบพร้อมเนี่ยนะก็ไม่พอที่จะนําออกจากทุกได้เนี่ยนะ เพร่อนเอ่ความเห็นว่าเป็นทุกข์ความเห็นว่าอันนีจังความเห็นว่าเป็นอนัตตามันก็นับหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นโพ่อชองไม่ได้มีแต่ธรรมวิจัยมีอะไรบ้างมีสติมีวิริยะมีปีติมีปัสสัตที่มีสมาธิมีอุเบกขาเนี่ยนะมีอุเบกขาเป็นต้นเนี่ยมีพ่อชองตั้งหลายอย่างของผู้ที่จะบรรลุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายก็ต้องบริบูรณ์แล้วก็ภัยบูร์นนั่นแหละจึงจะเกิดการ นำออกจากทุกได้อันนี้เรียกว่าสุญญาตาเจโตเวมุตคือเห็นจากเห็นสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเห็นขันอายตนะาธาตว่างจากตนว่างจากบริขารของตนหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเนื่องด้วยตนของของตนเอาตนก็ยังไม่มีเขบอกว่าตนของตนก็ยังไม่มีแล้วของตนมันจะมีมาจากไหนอา้าถ้าตนมีแล้วค่อยพูดว่ามีของตนใช่ไหม ถ้ามีของตนก็แปลว่ามีตนอันนี้ตนก็ไม่มีแล้วของของตนจะมีมาจากไหนันแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นก้อนทุกข์นะก้อนทุกข์ที่สำคัญผิดคิดว่าเป็นตนแล้วว่าเป็นของตนนี่นะอย่างที่สี่เขาบอกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะอนิมิตตาเจโตวิมุตตหมายถึงอะไรพิสษุนในศาสนานี้เลิกสนใจนิมิต ท, ทุกอย่าง เลิกสนใจนิมิต ท, ทุกอย่างเนี่ยนะเข้าถึงเจโตสมาธิเนี่ยนะที่ไม่มีอะไรเป็นนิมิตตั้งอยู่ท่านบอกว่าตรงนี้หมายถึงอรหัตผลเนี่ยนะอรหัตผลเจโตวิมุตต์ข้อที่สี่เนี่ยหมายท่านบอกว่าหมายถึงอรหัตตผลมาดูในอัตตกถานหน้าสามอยี่สิบเนี่ยน ะ, อ, ะอัตตกรฐานหน้าสามร้อยี่สิบเนี่ยเขบอกว่า ไม่มีเครื่องหมายอนิมิตตัวนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะไม่มีเครื่องหมายเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดไม่มีเครื่องหมายเป็นที่ตั้งแห่งราคะอนิมิตอนิมิตเนี่ยไม่มีเครื่องหมายไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ของราคาไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ของโทสะไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ของโมหะท่านบอกว่าหมายถึงอรหัตผลทั้งหมดนี้อัตตะก็ต่างกันพยัญชนะก็ก็ต่างกันเนี่ยนะ อัตตะต่างกันพ ย, ยัญชนะต่างกันนะอัปมัญญาเจโตวิมุตต์ก็หมายถึงพรหมิหารสี่อากินจัญญาเจโตวิมุตต์ก็หมายถึงอากินจัญญาญตนะสุญญาเจโตวิมุตต์ก็คือสุญญานุปัสสนาอนิมิตตาเจโตวิมุตต์ก็นนมมกหมายถึงอรหัตผลเพราะทุกอย่างเหล่านี้มันต่างกันทั้งโดยอัตตะและโดยพ ย, ยัญชนะเนี่ยนะเพราะ อ, อะไรเพราะอัปมัญญาเจโตวิมุตต์เป็นรูปปัจจาน ตากจัญญาเจโตวิมุติเป็นอรูปฌานสุญญาตาเจโตวิมุติเป็นวิปัสนาอนิมิตตาเจโตวิมุติเป็นโลกุตระเนี่ยนะเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้คือความต่างกันต่างกันทั้งโดยอัฏฐ์ทั้งโดยพยัญชนะเนี่ยนะทีนี้อันนี้วาระคำถามคำถามคงคงไม่ลืมประเด็นที่พระมหากรุติตาถามว่าสีอย่างเนี่ยนะ สี่อย่างคืออปมัญจาอปมญาเจโตวิมุตตอากินจัญญาเจโตวิมุตต์สุญญ า, าเจโตวิมุตตอั น, นิมิตาเจโตวิมุตตสีอย่างนี่มันเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันบอกว่าต่างกันทั้งโดยความหมายและโดยอัะก็ตามที่กล่าวไปแล้วทีนี้มาดูวาระว่าด้วยต่างกันแต่พยัญาชนะแต่ความหมายเป็นอย่างเดียวกันในหน้าสองอแปดสิบ อันนะต่างกันแต่คําพูดเนื้อหาสาระไม่ต่างกันเลยท่านบอกว่าราคะเป็นสิ่งที่เป็นประ ม, มีประมาณราคาเนี่ยเรียว่าสร้างประธรรมยกวาอะไรนะเครื่องทําประมาณโทสะเป็นเครื่องทำประมาณโมหะเป็นเครื่องทำประมาณราคาโทสะโมหะเหล่านั้นอันภิกษุผู้สิน้นกิเลสเครื่องหมักดอง คือพระภิสุผู้ขี่นาศพเนี่ยละได้แล้วถอนรากได้แล้วราค่าโทสะโมหะมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาอวุโสเจโตวิมุตต์ทั้งหลายที่หาประมาณไม่ได้หรือที่เรียกว่าอัปปามาญญาเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบเพียงใดแลท่านกล่าวเจโตวิมุตต์ที่เลิศ ก, กว่าเจโตวิมุตต์เหล่านั้นเนี่ยนะเจโตวิมุตต์ที ที่ไม่กำเริบเนี่ยนะคืออรหัตผลเจโตวิมุตินั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ว่างจากราคะอรหัตผลเจโตวิมุตว่างจากโทสะ อ, อรหัตผลเจโตวิมุตว่างจากโมหะอันนี้เรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาเจโตวิมุตเ n ี่นะอันดับย้อนมาที่บายท่านบอกว่าราคะเป็นสิ่งที่ทาประมาณโทสะก็ทำทำให้เป็นประมาณ โมหะก็ทำให้เป็นประมาณอธิบายว่า เ, เหมือนอย่างว่าที่เชิงเขามีน้ำเน่าส5บห้าชนิดเป็นน้ำสีดำปรากฏราวกว่าน้ำลึกตั้งร้อยวาแก่ผู้มองดูไม่มีที่จริงอ่ะไม่มีแค่แม้แค่ท่วมหลังเท้าของผู้เอาไม้เท้าหรือเชือกวัดอยู่ฉันใดฉะ น, นั้นเหมือนการกิเลสมีความกำหนัดเป็นต้นถ้ายังไม่เกิดตราบใด ตราบนั้นก็ไม่มีใครสา ม, มารถรู้จักบุคคลได้ว่าเนี่ยเหมือนพระโสดาบันเหมือนพระสกะทาคามีเหมือนพระอนาคามีเอาไงี้ดีกว่าถ้าทุกคนกิเลสไม่กำเริบนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยใครจะรู้ไหมว่าสมาคมนี้เป็นใครโอ้อารยะทั้งหมดเลยนะเอา้าราคาก็ไม่กำเริบโทสะก็ไม่กำเริบโมหะก็ไม่กำเริบเลยเนี่ยนะอุยสมาคมนี่โสดาบันแน่นอนสกทาคามีแน่นอนอนาคามีแน่นอนอย่านั้นะแต่พอโทสะกำเริบขึ้นมาเลยนะ โอ้นี่มันอะไรกันน่ยเนี่ยนะ